11สมถ็สัฏมุขาวิัย์วาระวาระว่าด้วยสมถฏคือสั ม, มุขาวิไนัามรอยเอ็สมถฏคือสั ม, มุขาวิไนส ม, มุขาวิไนคือสมถฏสมถฏคือเยปุยสิกาเยปุยสิก า, าคือสมถฏสมถฏคือสติวินยัยสติวินัยคือสมถะ สมถะคืออมูระหาวิไนอมูระหาวิไนคือสมถะสมถะคือปฏิญญาตะการณะปฏิญญาตาการณะคือสมถะสมถะคือตัดสปาปิยสิกาตัดสปาปิยสิกาคือสมถะสมถะคือตินวัฏฐารกะตินวัฏฐารกะคือสมถะ สมถะเหล่านี้คือเยปุฮิยสิกาสติวินัยอมูระหาวินัยปตินยาตการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะเป็นสมถะไม่ใช่เป็นสัมมุขาวินัยสัมมุขาวินัยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งสมัมมุขาวินัยสมถะเหล่านี้คือสติวินัยอมูระหาวินัยปตินยาตการณะ ตัสปาปิยสิปปกาตินวัฏฐาะกะสัมมุขาวิไนเป็นสมถะไม่ใช่เป็นเยปุยสิกาเยปุยสิกาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งเยปุยสิกาสมถะเหล่านี้คืออมูรหาวิไนปติญญาตากะรณะตัสปาปิยสิปปกาตินวัฏฐาะกะสัมมุขาวินัยเยปุยสิกาเป็นสมถะ ไม่ใช่เป็นสติวินัยสติวินัยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งสติวินัยสมถะเหล่านี้คือปตินยาตะการณะตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะสำ ม, มุขาวินัยเยผุยสิกาสติวินัยเป็นสมถะไม่ใช่เป็นอมูรหาวินัยอมูรหาวินัยเป็นทั้งสมถะ เป็นทั้งอมูระหวิไนสมถะเหล่านี้คือตัสปาปิยสิกาตินวัฏฐากะส ม, มุขาวิัยเยภุยสิกาสติวินัยอมูระหวิไนเป็นสมถะไม่ใช่เป็นปฏิญญาตการณะปฏิญญาตการณะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งปฏิญญาตการณะสมถะเหล่านี้คือ ตินวัฏฐากะสัมมุขาวินยัยเยปุยสิกาสติวิไนอโมระหาวินยัยปฏิญญาตการณะเป็นสมถะไม่ใช่เป็นตัดสปาปิยสิกาตัดสปาปิยสิกาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งตัดสปาปิยสิกาสมถะเหล่านี้คือสัมมุขาวินยัยเยปุยสิกา สติวินยัยอมูระหาวินยัยปฏิญญาตากรณะตัสปาปิยาสิกาเป็นสมถะไม่ใช่เป็นตินวัฏฐะรกะตินวัฏฐะรกะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งตินวัฏฐะรกะสมถะสามุขาวินยาวาระที่สิอจบ